คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz เมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีขอเชิญเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้า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 อาิตยยาปักกระทานังทาง FM 89.5 MHz สเมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการกรอบข่าวชาววันศุกร์นะฮะเจอกันในช่วงเวลานี้นะฮะทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลทัญบุรีได้ยินเรื่องราวข่าวสารจิงเกิลมาพร้อมแล้วนะฮะมาติดตามข่าวสารกัน ในสัปดาห์นี้กันนะฮะกับผมพินนยพงศ์กันด์ไวท์พร้อมด้วยคุณอาทิตยาปกากกรทานครับสวัสดีค่ะคุณฟังค่ะสวัสดีค่ะผมพิยพงศ์เจอกั น, นช่วงเวลานี้นะฮะคุณอาทิตยา ก, กับไ<ช> <มา S 1> วท์ก็ะะสัปดาห์ที่แล้วนะคะตีเที่ยวนิดนึงไปกันที่ฟิลิปปินส์นะฮะก็ไปได้เห็นมุมมองใหม่ไปที่นู่นเห็นมุมมองใหม่นะแล้วก็ตกตกเหมือนกันตกบ้างนี่บอกว่าคุณไปอิมพอร์ตอิมพอร์ตอิมพอร์ต่มมาไปอิมพอร่มมาร่มเขาทนมากนะิยพง์เพราะว่าเราซื้อร่มจาก เขาเรียกว่าประเทศที่มักจะมีเรื่องของาพายุนะประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีร่มนะแต่ว่านที่อาจจะต้องบอกว่าราคาก็จะสูงขึนิดนึงนะซื้อแบบดีๆหน่อยอแต่ถ้าเกิดจะเป็นร่มที่แบบว่าพกพาได้ตลอดเนี่ยแปบ๊บเดียวนะคุณหักเลย <laughs> ฉันซื้อมาก็แบบว่าเสียดายนะ <laughs> อันนี้ก็ไปซื้อมาใหม่นะจากฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะไปฟิลิปปินส์มาก็ได้เห็นมุมมองอะไรใหมๆ่ๆแต่ว่าอากาศที่นู่นเนี่ยก็คล้ายคล้าไทยนะคะแล้วก็มีเรื่องของมีมีลมมีฝนกันบ้างนะคะแล้วก็เขาจะมีการพยากรณ์นะเวียพง แล้วเขาก็จะมีการบอกว่าประกาศอ่าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยพอตรวจปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้จะมีฝนตกแล้วแบบมีพายุเข้านะเช้าวันต่อมาเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศขึ้นเลยนะว่าให้โรงเรียนปิดออืไวมากอืแต่ปรากฏว่าวันนั้นนี่ยฝนไม่ตกเด็กๆก็ได้บอว่ดีใจไปนะเออดีใจไปนี่ <Channel. S 1> คือ เ ห, เหมือนเหมือนเตรียมจะได้หยุดแล้วะก็ได้หยุดไงก็ดีใจปรากฏว่าได้หยุดแต่ว่าฝนไม่ตกไงที่บา้านก็อ้าวฝนไม่ตกซะอย่างนั้นนะค ะ, ะเรื่องราวของ ข่าวสารต่าง ๆ, ๆก็ยังเป็นประเด็นอยู่เช่นเดียวกัน<ช>นะคร บ, คะบรรยากาศในวันพฤหัสที่ผ่านมาก็เราก็จะได้เห็นว่าทางคอรมอเอง<ช>ก็มีการแถลงนโยบายนะฮะต่อรัฐสภ า, าก็เข้มข้นพอสมควรมีกา ร, <นะ S 2> รอภิปรายกันวันสุกก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีอย่างต่อเนื่องนะฮะ<ช>ก็ติดตามกันด้วยบางคนบอกว่าไม่มีโอกาสในการที่จะนั่งชมทั้งวันยังไงดีล่ะพี่พงศ์จะสามารถชมย้อนหลังได้ไหมก็มีชมร้อนย้อนหลังได้ทุกสื่อเองก็หาช่องทางในการ แชร์นะครับและถ่ายทอดรวมไปถึงบางท่านเองก็บางสื่อเองก็มีการสรุปประมวล ในแต่ละช่วงเวลาให้เราได้เห็นนะเกิดอะไรกันขึ้นติดตามกันนะฮะแต่ว่าเรื่องราวในกรอบข่าวของเราในวันนี้นะครับมาดูเรื่องของคนที่ชอบดื่มน้ําอัลมกันบ้างนะฮะว่าตอนนี้กรมสรรพสามิตเองเขาตอบรับผู้ผลิตน้ําอัลมง์ที่จะขึ้นราคานะครับเขาบอกว่าเรื่องของต้นภาษีเนี่ยแค่กว่าประมาณละ1 0บถึงยีสตางค์เท่านั้นไม่ใช่2อถึงสบาทที่จะขึ้นราคาใช่แล้วนะครับแต่ก็เดินหน้านะฮะว่าจะขึ้นภาษีตามเดิมหนึ่งตุลาคมนี้นะครับค่ะสืบเนื่องจากกรณีนะคะที่ผู้ ผิตน้ำบัตลมรายใหญ่หลายรายเองเนี่ยเขามีการประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำบัดรลมชนิดขวดแก้วแล้วก็ขวดใสเพิ่มขึ้นนะคะขวดละ 2-3 บาทเลยทีเดียวนะคะให้เหตุผลว่ามาจากการขึ้นภาษีความหวานของกรมสรรพานมิตรซึ่งจะมีผลในวันที่1ตุลาคมนี้ทางด้านของคุณพัชระอนาตศิลค่ะอธิบติดีกรมสระพานมิตรเองบอกว่าการขึ้นราคาน้ำบัตลมขวดละสอบาทเนี่ยไม่น่าจะเป็นผลจากการเก็บภาษีความหวานของกรมสรรพานมิตรนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ทางกรมเองก็ยังไม่มีการขึ้นภาษีความหวานและกว่าจะขึ้นภาษีรอบ2นั้นก็ต้องรอรอบของวันที่1ตุลาคมของปีนี้นะคะขณะที่การขึ้นภาษีความหวานรอบแรกทำไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2560ดังนั้นแล้วค่ะการขึ้นราคาน้ําอัดลมนี้น่าจะเป็นเหตุผลเรื่องของการบริหารต้นทุนอื่นๆของบริษัทมากกว่านะคะที่สําคัญค่ะกรมสรสารมิตรเองได้มีการประเมินผลกระทบต้นทุนในการขึ้นภาษีขายปลีกน้ําอัดลมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมน้ําตาลเอาไว้แล้วโดยมีผลกระทบเพียงเฉลี่ยแค่ขวด หรือกระปองละ1 0บถึงยี่สตางค์เท่านั้นนะคะไม่กระทบมากถึง 2-3 บาทแน่นอนค่ะมีการยืนยันอีกนะครับว่าการขึ้นภาษีความหวานรอบสองตามแผนเดิมในเดือนตุลาคมปีนี้ไม่มีการเลื่อนเวลาออกไปนะครับเพราะที่ผ่านมาได้ให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัวมากกว่า2ปี อ, 2> อีกทางการเก็บภาษีความหวานก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คนไทยเนี่ยดูแลสุขภาพด้วย ใ, วให้ลดการบริโภคน้ําตาลซึ่งเป็นต้นเหตุโรค n อ็ดี หรือโรคไม่ติดต่อร้ายแรงอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคความดันโลหิต ส, สูงโรคหัวใจใซึ่งหลายประเทศเองนะครับก็ได้ให้ใช้มาตรการภาษีเพื่อดูแลสุขภาพเช่นกันไม่ไดม้มีเพียงแค่ไทยของเราอย่างเดียวเ ท, ท่านั้นะ<อ>นะครับเอืมีเหมือนกันคื อ, อ ม, มีการทราบว่าขณะนี้มีผู้ผลิตน้ำอัดลมและก็เครื่องดื่มในหลายประเทศนะฮะหลายรายเองเนี่ยก็เริ่มมีการปรับสูตรการผลิต โดยใช้ส่วนผสมน้ําตาลน้อยลงเช่นการใช้ใช้สารทดแทนความหวานหรื อ, อลดการผสมน้ําตาลเพื่อไม่ให้ถูกเก็บภาษีเพิ่มในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเองมีทางเลือกในการซื้อเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลต่าแต่อาจมีเครื่องดื่มบางชนิดครับเปลี่ยนสูตรได้ยากเพราะเป็นรสชาติดั้งเดิมเพราะหากผสมน้ําตาลน้อยลงรสชาติมันก็จะผิดเพี้ยนไปใช่แล้วจึงก็ต้องยังผสมน้ําตาลไว้สูงอยู่แต่ก็ทําหน้าที่แต่ทําได้โดยการ เก็บภาษีสูงขึ้นนั่นเองก็ต้องเสียภาษีสูงขึ้นตามเดิ ม, มนั่นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีเวลาเราลดน้ําตาลเนี่ยก็จะเป็นสูตรใหม่นะน้ําตาลน้อยอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะเห็นกันนะนะคะทางด้านของอัตราความหวานที่จะเริ่มต้นใช้นะคะ1ตุลาคมของปีนี้ถึง30กันยายนปี64นะคะก็จะมีการเก็บเพิ่มตามค่าความหวานที่สูงขึ้นค่ะโดยเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลไม่เกิน10กรัมยังคงเท่าเดิมนะคะแต่อตราเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเกิน10กรัมต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นสูงงสุดดถึ 1-4 เเเทท่่่่่าาาาตตตัวัวว้้้ยกกนนนคะรริิมมมีปณํลไ 6กรัมต่อ100ม mm ลนะคะเว้นการเก็บภาษีค่ะน้ําตาลเกิน6กรัมหรือไม่เกิน8กรัมนะคะเสียภาษี10สตางค์นะคะน้ําตาลเกิน8กรัมไม่เกิน10กรัมเสียภาษี30สตางค์ค่ะน้าตาลเกิน10กรัมไม่เกิน14กรัมเสียภาษี1บาทต่อลิตรนะคะเพิ่มจากเดิม50สตางค์นะคะน้ําตาลเกิน14กรัมค่ะไม่เกิน18กรัมเสียภาษี8อขออภัยค่ะเสียภาษี3บาทต่อลิตรนะคะจากเดิมที่1บาทและกลุ่มที่มีประมาณน้ําตาลเกิ18 ะะต้องเสียภาษีถึง5บาทเลยค่ะอ้าวก็ถื อ, <ช>อว่าเป็นเรื่องของใครที่ดื่มน้เครื่องดื่มที่มีผสมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมนันบอกว่าอา้าวไม่เราไม่ค่อยทานเครื่องดื่มที่เป็นขวด ชงเอาอันนี้ก็มีผลลดลักษณะนึงนะฮะเพื่อสุขภาพของเรามาดูเรื่องราวของค่าผ่านทางนะฮะทางด่วนกันสนิดนึงทีดีไฮะมีการเผยไม่เห็นด้วยกับการลดค่าผ่านทางทางด่วนก็มีการเสนอแนะนะครับว่ากระทรวงคมนาคมควรคิดค่าโดยรถโดยสารอยู่ที่30บาทตลอดสายเพราะมีนโยบายออกมาเหมือนเบื้องต้นเหมือนเหมือนนโยบายถามทางซึ่งว่าถ้าปรับลดขนาดนี้เนี่ยประชาชนไหวไหม ถามใครเนาะนะคะเป็นเป็นคำถามที่ว่าเอ๊ะจะถามใครนะระหว่าง อาจจะเป็นคนวัยทํางานหรือเปล่าใน15บาทตลอดสายที่หลายๆคนอาจจะกลัดกลุ้มนะว่าจะเอาเงินในส่วนไหนมาดูแลในส่วนนี้ถ้าลดขนาดนี้นะคะทางด้านของคุณสุมเมศต์องค์กิติกุลค่ะผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะก็มาเปิดเผยว่าเห็นด้วยที่กระทรวงคมนาคมนั้นมีนโยบายลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้วยการลดการเดินทางแต่ไม่เห็นด้วยทั้งหมดนะคะและในส่วนของค่ารถไฟฟ้านในกรุงเทพมหาคนครนั้น TDRI เนี่ยเคยย้ําเรื่องผลกา ศึกษาหลายรอบแล้วพบว่าค่าไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยแพงเกินไปนะคะถ้าหากแบ่งประชาชนเป็นสกลุ่มก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในประมาณยี่สปร์เซ็นตไม่สามารถเข้าถึงค่ารถไฟฟ้าที่มีค่าเฉลี่ยกว่า100บาทต่อวันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการเสนอให้เพิ่มวงเงินบาทสุรนการของรัฐนะคะจาก5้าร้บาทเป็น7จ็บาทต่อเดือนส่วนอีก 80% ค่ะมีกําลังในการจ่ายค่ารถไฟฟ้าแต่เอื้อมถึงแค่ 45% เท่านั้นนะคะดังนั้นแล้วค่ะถ้าหากว่าลดราคาลงมาเนี่ยก็จะเพิ่มสสัด่วนอีก ที่สามารถเข้าถึงรถไฟฟ้าได้พดการศึกษาเดิมนะคะได้สรุปราคาที่เหมาะสมอยู่ที่28บาทตลอดสายนะคะถ้าหากปรับให้ทันสมัยในขณะนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่30บาทตลอดสายนะคะหรือไปกลับเนี่ยไม่เกินวันละ60บาท นะเป็นต้นทุนที่ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถจะแบกรับไหวนะคะขณะเดียวกันค่ะการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้านั้นต้องนําไปสู่การชดเชยให้เอกชนผู้ถือสมรรถนและก็หน่วยงานที่ดูแลด้วยนะคะจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบไม่เป็นภาระมากเกินไปกับรัฐบาลนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีการสรุปบอกว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าเองเนี่ยน่าจะ3าบาทตลอดสายเนี่ยจะเหมาะกว่า15บาบาทนะแต่ก็ต้องดูรายละเอียดของนโยบายกระทรวงคมนาคมด้วยว่าจะมีความชัดเจนยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแค่เรื่องของการร่างเท่านั้นยังไม่เป็นข้อสรุปค่ะ อย่างหนึ่งนะครกรณีที่กระทรวงคมนาคมจะลดค่าทางด่วนนั้นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับมีเหตุผลในการพิจารณาก็คือว่าการสร้างทางด่วนเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพก็เป็นทางเลือกในการเดินทางที่เร็วกว่าพื้นราบซึ่งประชาชนต้องแลกกับการจ่ายค่าผ่านทางซึ่งกําหนดค่าผ่านทางจากการจากความคุ้มค่าในการลงทุนและประชาชนมีกําลังจ่ายหากลดราคาลงจะเพิ่มปริมาณรถบนทางด่วนอีกจํานวนมากจากสภาพปัจจุบันนะครับโดยชั่วโงเร่งด่วนเองก็มีปัญหาติดขัดอยู่แล้ว รวมทั้งไม่สนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนเพราะทางด่วนเน้นขนส่งขนรถมากกว่าขนคนคนอกจากนี้นะครับยังมีสัญญาสัมปทานเข้ามาเกี่ยวข้องที่รัฐเนี่ยมีข้อพิพาทอยู่ซึ่งเสนอว่ายกอข อ, อเสนอให้ยกเว้นค่าทางด่วนสําหรับรถประจําทางของสะมะกดีกว่าไหมใช่เพราะมีบางสายเองยังใช้รถเ ข, ขาขึ้นทางด่วนอยู่ก็จะเก็บเพิ่มใช่เพราะขนส่งมวลชนเองจะช่วยลดภาระของสมกรวมทั้งรถ อ่าภาระของผู้โดยสารซึ่งปัจจุบันต้องเสียค่ารถเมย์เพิ่มอีกคนละ2บาทอพอาะต้องใช้ค่าอ่าทางพิเศษเลี่ยงปัญหาการจราจรใครขาใช้ขสมกตอนนี้เตรียมตัวนะฮะมันมีบัตรรายเดือนแล้วตอนนี้เขาเตรียมเตรียมที่จะปรับขึ้นราคาจาก200บาทในรายสัปดาห์เป็นยังไงคุณเป็น 255. 25อแล้วหรอใช่ในรายสัปดาห์อ่าถ้าเป็นอ่าแปดบาทในรายเดือนเนี่ยตกอยู่ที่พันกับอีก50กว่าบาท Oh, อันนี้ขึ้นราคาขึ้นนะฮะก็ขึ้นมาในพอตัวนะเดียวกัน่ง100บาทเนี่ยก็จะมีมีการปรับอยู่อ่ะก็เล็กน้อยนะฮ ะ, ะต้องรอดูกันนะคะทางด้านของ BTS เองค่ะตอนนี้รอหารือกับกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อขอความชัดเจนนโยบายของการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า15บาทตลอดสายค่ะเผยการช่วยเหลือประชาชนนั้นยังมีวิธีการอื่นค่ะ ทางด้านของประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาบริษทัทขนส่งระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS คุณอานัทอาภาพิรม์บอกว่ากรณีที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมน า, าคมเองมีนโยบายที่ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้อยู่ที่15บาทตลอดสายนั้นนะครับขณะนี้ทางคณะกรรมการอยู่ระหว่างการเจราจากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพะนะครับเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้า BTS ซึ่งนโยบายลดอัตราค่าโดยสารของรัฐบาลเป็นนโยบาย ที่ดีนะ แต่ก็ต้องศึกษาและก็เจรจาถึงความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการปรับลดอัตราค่าโดยสารลงด้วยนอกจากการลดราคาแล้วนะครับยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายทางนะครับอย่างหลายวิธีการเลยในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งน่าจะมากกว่าช่องทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารเพียงอย่างเดียวในส่วนของอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS แต่ละสายก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาการลงทุนเพราะที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้มีมาตราการเข้ามาอุดหนุนแก่บริษัทแต่เป็นการอุดหนุนให้กับประชาชนอย่างเช่นนโยบาย อนุนบาทอาพันบาทสวัสดิการแห่งรัฐคือพูดง่งายๆว่าต้องมานั่งคิดก่อนว่าถ้า15บาทตลอดสายปุ๊บเนี่ยมันต้องมีความต่างเงินส่วนต่างที่จริงๆแล้วควรจะต้องได้จากค่าโดยสารที่เขาคำนวณจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องเป็นผู้แบกรับภาระตรงนั้นแล้วก็ต้องมาจ่ายเพิ่มเติมนั่นเองนะคะถ้ายิ่งถูก15บาทเนี่ยจ่ายเพิ่มเติมก็ยิ่งแพงนะเบียพง์แต่ถ้า30บาทอย่างที่ TDI บอกเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่าแต่ว่าหลายท่านก็รู้สึกว่าจะยิ้มออกนะเพราะว่าจากร้อยมาาสักก50 60บบท ไปกับก็ร0อย่บอประมาณนี้นะจะเหลือแค่ห0บาทครึ่งหนึ่งนะก็ถือว่าดีนะ ต้อง<ก>รอดูต่อกันทางแฟนเพจของเราด้วยนะฮะติดตามของเราในตอนนี้นะฮะทุกท่านเลยนะครับช่วงหน้ายังมาติดตามเรื่องของจ็อบไทยนะฮะเขาบอกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยมีผู้หางานกว่า9000 900, แสคนในกลุ่มธุรกิจอาหารเครื่องดื่มต้องการมากสุดนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของททร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมดึงบล็อกเกอร์เยาวชนต่างชาติมาร่ว ม, มทําสื่อท่องเที่ยวชุมชนดิฉันอยากดูตรงนี้มากเพราะว่าอยากจะมองมุมมองของบล็อกเกอร์ต่างชาติที่เป็นเยาวชนนะว่าเขาจะหยิบยกตรงไหนมาเดี๋ยวมาติดตามรับฟัง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 ในช่วงนี้นะคะกรอบข่าวเช้าวันศุกครค์มาเริ่มต้นกันนะคะที่เรื่องราวของจ็อบไทยกันบ้างนะคะมีการเปิดเผยผลการสำรวจค่ะครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะผู้ฟังคะมีผู้หางานกว่า9000 900, แสคนด้วยกันซึ่งธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มค่ะ กระผมผู้ร่วมก่อตั้งแล้ะก็หัวหน้าผู้บริหารด้านการปฏิบัติการจ็อบไทยนะครับคุณแสงเดือนตั้งทําสถิตนะครับผู้ให้บริการหางานสมัครงานออนไลน์บอกว่าจ็อบไทยเองก็รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ฐานข้อมูลสถา น, นการณ์ความต้องการแรงงานรวมถึงพฤติกรรมของความต้องการของผู้สมัครงานทั่วประเทศซึ่งปีแรกของปีนี้นะครับใช่ค่ะเขามีการสำรวปออกมาบอกว่ามี5้ากลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรง ง, งานมากที่สุดประกอ บ, อ ด, บด้วยอะไรบ้างค่ะ หคือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจํานวน7 6 2 0หมื่นหกพอัตราเขาบอกงี้ฮะมาจากภาคการท่องเที่ยวที่มีมาตราการยุบเว้นค่าธรรมเนียมตรวจลงตราหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองทําให้หนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทยยังคงมีการขยายตัวโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจํานวนมากที่สุดสูงสุดก็คือจีนครมาเลเซียแล้วก็อินเดียตามลําดับเนี่ยข้อมูลมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬานะครับนอกจากนี้ยังมีการขยายตัวต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เกิดความ ต่ออาจเกิดจากาาความต่อเนื่องนะฮะนโะยบายการท่องเที่ยวเมืองรองและมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยครับอันดับ2นะคะธุรกิจยานพาหนะชิ้นส่วนยานยนต์นะคะจํานวนสี่8้อัตรา ด, ด้วยกันนะคะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพื้นที่ EEC ซึ่งกลุ่มยานยนต์ก็รวมอยู่ด้วยนะคะท น, นของทรัพยากรบุคคลเองก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของแรงงานอย่างเช่นกลุ่มวิศวกรแล้วก็ช่างเทคนิคให้มีความพร้อมมากขึ้นนะคะเพื่อรองรับการขยายตัวของการลง ทุ น, นก็เลยมีความต้องการที่มากขึ้นนั่นเองค่ะอันดับ3นะคะก็คือธุรกิจบริการนะคะห้าหมอัตราเนื่องาจากว่าการขยายตัวอย่างข้อแรกนะ้ำหย่อมพงก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีการเพิ่มขึ้นเหมือนกับธุรกิจอาหารเครื่องดื่มนะคะผู้ประกอบการเองก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆรองรับมากขึ้นตลอดจนการใช้ชีวิตแล้วก็กิจกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้เกิดบริการใหม่ๆที่ทําให้เกิดการอนำนวยความสะดวกสบายกันมากขึ้นค่ะอันดับที่4คือธุรกิจการก่อสร้างน ความต้องการอยู่ที่ 49,000 กว่าอัตราปัจจัยจากการเติบโตยอย่างต่อเนื่องการลงทุนในหมือดเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็การก่อสร้าง <คะ S 1> ซึ่งมีผลมาจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่นะครับของภา ค, ภา ค, ภาครัฐเช่นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโครงสร้างด้านการคมนาคมทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ <คะ S 1> รวมถึงการก่อสร้างของภาคเอกชนทําให้ความต้องการบุคลากรในประเภทนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับอันดับ5คือธุรกิจค้าปลีกจํานวน 49,300 กว่าอัตรา ะะการเติบโตการบริโภคยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกมีการปรับตัวหลายด้านทั้งการพัฒนารูปแบบการค้าการเพิ่มความหลากหลายทั้งสินค้าและก็บริการที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นมาดูสายงานที่เปิด รับมากที่สุดกันะนะคะเริ่มต้นกันที่สายงานที่องค์กรมีการเปิดรับมากที่สุดนะคะอันดับ5ก่อนดีกว่านะคะสายงานวิศวกรรมค่ะ 5.8% อนะคะอัตราการเปิดรับทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ1นึ่งแอัตราด้วยกันอันดับ4นะคะเป็นงานธุรการค่ะจัดซื้อนะคะ 6. กเปอันดับ3ค่ะเป็นงานผลิตควบคุมคุณภาพคิดเป็น 7.1% อันดับ2งนะคะงานช่างเทคนิคคิดเป็น 10. 1สิบจุดันึ่งเปอยู่ที่งานขายนับหนเองนะคะอยู่ท รับสายงานที่มีผู้สมัครงานมากที่สุดนะคะอันดับ5คืองานวิศวกร ร, รมคิดเป็น 6. กจเปของผู้สมัครทั้งหมดอันดับ4คืองานทรัพยากรบุคคล HR นะครับคิดเป็น7 1 0ดอันดับ3คืองานขายกลุ่มเซลล์นะครับคิดเป็น8ปดอันดับ2งานผลิตควบคุมคุณภาพคิดเป็น1 0 5 0ุอันดับที่1เนี่ยนะฮะคืองานตัว ก, การงานจัดซื้อมีผู้สมัครสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นสิ2จากผู้สมัจุดสองสก็คือ เป็นผลการสำรวจจากจ็อกไทยนั่นเองนะคะมากระที่เรื่องราวอีกเรื่องราวนึงของเรานะคะกับการท่องเที่ยวล่าสุดนี้นะคะทอ ท, อทอเองก็ต้องปรับตัวน้ำหยิบพงเพราะว่าเห็นว่ากันว่าในในปีนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเองเป้าหมายเนี่ยยังไม่ถึงเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้นะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเองเนี่ยก็ลดน้อยลงนะแต่ก็ว่ากันว่านักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยเริ่มเข้ามาที่ประเทศไทยกันมากขึ้นนะคะอีกฝั่งนึงเองค่ะก็มีการร่วมกับ ก, บกบระทรวงวัฒนธรรมนะคะดึงบล็อกเกอร์เ ย, วยวาวชนต่างชาติให้มาร่วมทําสื่อท่องเที่ยวชุมชชชนนนใกาารรเเพิ่่่มมททองียวุุ ธนะะา น, นของการบินไทยบอกว่าตลาดยิวชนดาวรุ่งนั้นเหมาะกับการต่อยอดการตลาดค่ะ คุณถาปณีเกียตรติภัยบูรณ์นะครับท่านผูน้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยวของทอ ท, อทอบอกว่าอย่างนี้ครับทุกชุมชนเองมีเรื่องราวมีประวัติศาสต ร, สตร์วัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็น่าเรียนรู้เป็นของตัวเองในเฉพาะมุมของเยาวชนต่างชาตินะครับเพราะเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจในการเดินทางท่องโลกเพื่อเรียนรู้และก็สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างรวมถึงชอบใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปท้องถิ่นและก็กลุ่มเยาวชนต่างชาติเองจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญที่จะช่วยเผยแพร่ ส่งต่อเรื่องราวของวัฒนธรรมและชีวิตอันมีเสน่ห์โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกทางท ท, ทครับเขาได้จับมือกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทการบินไทยและก็บริษัทไทยสมายเอร์เวส์เว <website, S 2> ็บไซต์ Hello Local Travel แลวก็ r ิดมีดั e เปิดตัว44วชชนนะครับเป็นนักเล่าเรื่องจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันอย่างนี้ครับโปรโมทชุมชนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทย<ฆ>ผ่านบล็อกและก็คลิปวิดีโอนะเขาจะมีเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทภายใต้โครงการ Thailand Village Academy นะฮะใช่แล้วค่ะโครงการนี้นะคะ Thailand Village a c a เ e m y เองนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้บร็อคเกอร์เยาวชนทั่วโลกที่มีความสามารถในเรื่องของการคัดสันแล้วก็เล่าเรื่องราวเทาเวลสตอรี่แล้วก็มีทักษะในการใช้โซเชียลมีเดียนี้นะคะสามารถสร้างแรงม้า น, นใจายในการเดินทางสมัครเข้าร่วมภารกิจค่ะ 4.4 คนนี้ประโยช์พงเข้ามาจากบร็อคเกอร์ที่สมัครจาก 86ประเทศทั่วโลกนะทั้ง 1,423 คนนะคะแต่ว่าคัดเหลือเพียง44คนเท่านั้นจาก17ประเทศด้วยกันนะคะก็มีอินเดียอังกฤษรัสเซียเนปาลสิงคโปร์มาเลเซียพูตานอิสราเอลอิตาลียูเครนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเปรูออสเตรเลียตูนิเซียไนจีเรียและก็ประเทศไทยค่ะครับผมทางด้านของท่านที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคุณทัศทัศ ช น, ชนเทพกัมปนาธท่านบอกว่าโครงการนี้เนี่ยได้คัดเลือกชุมชนที่มีวัฒนธรรมและก็มรดกภูมิปัญญาที่โดดเด่นและก็มีปราชุมชนที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวให้แก่เยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสําหรับเยาวชนที่จะเปิดตัวโครงการนี้นะฮะมี22ชุมชนภาคกลาง7ชุมชนมเหนือ5้าชุมชนใต้5้าชุมชนอีสานอีก5ชุมชนะนะครับและหลังจากนั้นนะครับจะพัฒนาชุมชนต้นแบบเหล่านี้นี่นะฮะ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เสร็จสิน้นทางโครงการก็ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการบินไทยบริษัทไทยสมายแอร์เวย์ way, นะฮะ s fine, <S Hello Local .travel แล้วก็ Redmi m e ทั้งหมดนี้จะช่วยกันขยายผลจากกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนทั่วโลกมาเที่ยวต่อไปด้วยรวมถึงคนไทยของเราเองนะเราก็รอดูกันเพราะว่าเราอยากรู้ว่าชาวต่างชาติเองเนี่ยจะมองในมุมของการท่องเที่ยวของไทยอย่างไงนะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะทางด้านของคุณปริญญาณ์นันมงคลศรีนะคะผู้ในการฝ่ายการตลาดดิจิทัลบริษัทการเมนองไทยจํากัดมหาชนบอกนะคะว่าจากการวิจัยการท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลกเนี่ยมีการระบุว่าในปี 2,563 นะคะจะมีนักท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลกเดินทางจํานวนประมาณ370 ล้านคนและมักใช้เวลาในการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่50วันด้วยกันนะคะร่วมมีร่วมถึงการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ 2,600 ัหกรอยเหรียญสหรัฐราวแป0 0มบาทค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดนักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติมีความสําคัญมากแล้วก็กําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งเป็นโอกาสสาคัญของชุมชนไทยที่จะได้ต้อนรับเยาวชนจากทั่วโลกให้มาท่องเที่ยวแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนช่วยชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งก็จะมีการจัดทํานะฮะบัตรโดยสารราคาพิเศษสําหะชนด้วยนะ ในส่งการมินไทยนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมต่อยอดขายแพ็กเกจ ท่องเที่ยวชุมชนต่อไปค่ะครับผมอ้าที่ก็ติดตามกันนะครับมีโอกาสท่องเที่ยวในไทยทั้งเมืองหลักเมืองรองะนะครับผมว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะนะครับ <Yeah. S 2> ที่อยากจะเชิญชวนนะครับพ่าแม่มีเวลาก็หาเวลาในการพาลูกๆไปท่องเที่ยวได้<ช>สัมผัสว่าัฒนธรรมทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือ <ฮะ S 2> ธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาอยู่แล้วนั่นเองนะครับมาปิดท้ายเชิญชวนกันสันิดนึงครับวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ทางเมเจอร์ซีนิเพล็กเองนะครับมีการเปิดให้ ประชาชนดูหนังฟรีนะครับ<ะ>วันที่28กรกฎาคมทางเมเจอร์ซ p นิเพ็กกรุ๊ปนะครับร่วมมอบความสุขความบันเทิงเพื่อให้ประชาชนชมภาพนยนตร์ระบบปกติฟรี1คน1สิทธิ์ทุกสาขาทั่วประเทศในรอบเวลารอบก่อน12นาฬิกานะฮะในวันที่28กรกฎาคมนะครับที่โรงภาพนยนตร์ในเครือเมเจอร์กรุ๊ปนะคะอย่างเช่นเมเจอร์ซ e ีนิเพ็กอีจีวพารากอนซีนิเพ็กเอสพาณซนเดิเพกนะครับซนเพ็กนะครับซนเพ็ก เมกานะฮะซินิเพลกด้วยพาราไดด์ด้วยอ่ะพรอมนาดฮาดใหญ่ซินิเพล็กดอาน่าพรูพอร์ตนะฮะโคราซินิเพลกคอเทียนะครับไอคอนอ่าซนิคอนิกนะฮ ะ, ะนะที่ไอคอนสยามนั่นอเองนะค ะ, ะ, ะก็มี อ่าการให้ชมฟรีด้วยใช่แล้วต่เรื่องไหนอนิเม่แน่ใจต้องไปดูรอบกันเองทุกเรื่องทุกรอบนะในรอบก่อน12รายการนะคะในระบบปกตินั่นเองนะใครที่สนใจในการดูภาพยนตร์ฟรีนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่เว็บไซต์ของเมเจอร์ได้เลยนะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันในกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะคะพบกันใหม่ในเดือนหน้าใช้คําว่าเดือนหน้าพีควาเดือนหน้าใช่ไหมฮะเดือนหน้าแล้วนะสิงหาคมเดือน่าจะเป็นเดือนของภารกิจกิจกรรมนะครับเราก็จะออกนอกพื้นที่กันบ้างบางช่วงนะฮะใช่า วเวลาแล้วนะฮ ะ, ะ, ฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าติดตามต่างของรายการทางสถานีของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลบไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั บ, ร, บรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th